ข้อโจทย์ก็บอกว่ารู้เห็นอย่างไรจึงจะสิน้นสิ้นความยึดถือสิ้นตัณหาและอุปาทานตัณหาลักษณะเพลิดเพลินอุปาทานลักษณะยึดถือปกติก็ยึดถือว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอเอตังมะมะ เอสโมาสมาเอโสเมอัตตาติคิดอยู่อย่างนี้นะเพราะพื้นฐานตันหาอวิชชาตันหาอุปาทานคิดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราผนตาก็ของเราหูก็ของเราจมูกลิ้นกายใจก็ของเราไม่เชื่อนั่งเก้าอี้เราดูสิเพราะทุกอย่างมันเป็นของเราไปหมดเลยนั่นก็เรานั่นก็ของเรานั่นก็ของเราลองนาฬิกาแว่นตาเราหายดูสิโอ้ยเดือดร้อนหมดนะเพราะนั่นของเราอะนะ อะไรอะไรก็ตามมันก็เป็นของเราไปหมดมันพันพันว่านี่คือมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อสร้างทุกข์คือการตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแล้วคิดยังไงที่จะไม่ให้เห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ตรงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนโซหามะอะไรนะเนโซมมะ เนโซหามาสมิณะเนะเมโซอัตตาติเนี่ยนะบอกนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็บอกว่านั่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีนี้การพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็อยู่ๆแล้วแต่มันจะคิดไหมว่างๆมันอยากคิดเออมันไม่เที่ยงอีกภาคหนึ่งบอกเป็นทุกข์อีกภาคหนึ่งก็มั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่อย่างนั้นพระองคตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมรู้อยู่อย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็น อ, อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็น อ, อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภ า, ายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ อัตตาของเราคือท่านตามเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าอันนี้จังทุกขังแล้วอนัตตาก็สิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่ามันคือของเราของเรามหาภาระเราอยากพูดไหมว่ามันของเราในสิ่งที่มันไม่มั่นคงเราจะบอกได้ไหมว่าเป็นเราตัวแปรปรวนที่สุดนี่คือเราอยากพูดอย่างนี้ไหมไม่ชอบเลยใช่ไหม ตัวที่ไม่มีอำนาจอะไรคืออัตตาของตัวเองก็ไม่ชอบมันก็ให้ตามเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือเท่าบอกว่านั่นอันนี้จังทุกครังและอันตตาอันนี้จังเพราะสิ้นไปทุกขังเพราะทนได้ยากเป็นอันตตาเพราะไม่มีสาระอันนี้จังสิ้นไปทุกขังหน้ากลัวอันตตาเพราะไม่มีแก่นสารอะไรเลยพัน ร, รูปในอดีตก็อันนี้จังทุกขังอันตตาแล้วในอดีตอันนี้จังยังไงสิ้นแล้วใน อดีตวิธีคิดเนี่ยามาจอ่จอเฉพาะหน้าเท่ากเนที่ขนตาเลยใช่ไหมโอ้นี่ขนตาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทยงจ่อให้มันติดขนาดนี้เลยไหมเขาคิดยังไงฝึกคิดให้มันหยาบหยบก่อนรูปในอดีตขันห้าในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตขันห้าในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตนนอนาคตไหนอนาคตไหนชาติหนะนะขันห้าในชาติอดีตก็สิ้นแล้วในชาติอดีต ขันท่าในชาติหน้าก็จกสิ้นในชาติหน้าขันท่าชาตินี้ก็จะสิ้นเชื้ออยู่ในชาตินี้นี่แหละขันท่าชาตินี้ก็จกสิ้นไปในชาตินี้นี่แลแล้วถามว่าอดีตชาติเนี่ยทุกชาติทุกชาติะไปเห็นน้ําทะเลที่สีลังกาบอกโอ้เห็นไวมน้ําตาของชาวลังกามากขนาดนั้นเลยไง ก็ถามว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่หยดน้ําตาไว้แแม่แแม่แม่เก็บไว้เนี่ยนะกองกองไว้มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆถามว่ามันน่าเพลิดเพลินตรงไหนเนี่ยนะมันชีวิตในอดีตที่มันไม่เที่ยงแต่สะสมน้ําตาไว้มากมาขนาดนั้นเนี่ยนะอนาคตต่อไปจะต้องหลังน้ําตาโจรีไทยไปรึไม่นเดี๋ยวแบ่งเป็นใส่ในอัลบั้มไว้ในเมื่อวันในย่อนตี๊ด ปกิะตูอและูขาก็เป็นเวลาการมาแท่านเนเป็นาามีนานี้าหนตักายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดท่านจงพิจารณาโดยความเป็นเอ่อต้องอบต้องฟันเป็นนิดเนี่ยนะท่านจงพิจารณาโดยความดมาช่วตัดงิ้งได้ไเลยขึ้นแตนอย่าให้ตั่าพอปิดวิกขึ้นมาอะไร บางทีนะถ้าเก็บเราดูทีวีใช่ไหมดูทีวีอยู่ครึ่งวันอย่างเงี้ยนะตอนละครร้องให้นางเอกน้ําตาไหลก็จะไปร้านน้าตาไหลก็เข้าไปพอเป็นเรื่องหน้าดีใจก็ดีใจไปพอเรื่องใช้ใช้ก็ใช้ใช้แล้วพอปิดหนังปับ๊บอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับไม่ค่อยเต็มดีๆนี่แหละนะเป็นคนที่สภาพจิตไม่ปกติใช่ไหมแล้วแต่ทีวีมันจะพาไปฉุดลากสภาพจิตไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, ไ ป, อยไปถึงไหนเนาะเนี่ยนะ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่อบรมศิกขานี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นผู้ที่ถูกอารมณ์เนี่ยลากไปอารมณ์ลากให้โสมนัสบ้างอารมณ์ทั้งหลายลากให้โทมนัสบ้างอารมณ์ทั่วๆไปลากให้อุเบกขาบ้างก็เป็นผู้ถูกอารมณ์ครอบงำแต่ผู้พิจารณามากๆจะไม่ถูกครอบอารมณ์ครอบงำแต่จะเป็นผู้ครอบงำอารมณ์นะเป็นผู้ครอบงำอารมณ์ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำมันเหมือนกับว่า อารมณ์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจแต่ปัญญาที่พิจารณามีอำนาจมีอำนาจไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์ให้โสมนัตโทมนัตและอุเบกขาที่อาศัยอกุศลต่อไปก็กลายเป็นการเจริญกุศลล้วนๆแม้ทีนี้ถ้ารอบรู้อารมณ์นั้นก็จะรอบรู้เวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาก็ ไม่เที่ยงเช่นกัน น, นะสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกับเวทนาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้มากเท่าใดก็พิจารณาว่ารูปก็มีเหตุเกิดนะรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆแต่มีเหตุมีปัจจัยรูปจึงเกิดเวทนาก็ไม่ได้เกิดลอยๆเวทนาเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยเวทนาจึง เกิดสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ได้เกิดลอยๆล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุและปัจจัยถ้าได้ปัจจัยเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดเนรูปจึงเกิดเพราะวิชาเกิดตัหาเพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัญหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะ ของกรรมมาชรูปจิตตชะรูปอุตุชรูปอาหารชรูปที่ค่อยๆเจริญเติบโตไล่สืบเนื่องกันมาโดยลำดับอย่างนี้นี่คือการเกิดขึ้นของรูปเนี่ยนะเกิดมารูปของเราทั้งหลายเนี่ยนะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเนี่ยนะเมื่อไหร่อายุ ป, ประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเจริญเติบโตถึงเต็มที่แล้วประมาณยี่สิบหรือย5ิบห้า ย7ิบเจดถึงสามสิบ น, นะก็หลังจากนั้นบำรุงอย่างเดียวซ่อมแซมกับบำรุงยิ่งซ่อมอะนะยิ่งซ่อมยิ่งซ้อซ่อมซ้อข้าเครือไปเรื่อยๆนะยิ่งซ่อมยิ่งพังยิ่งดูแลยิ่งพังยิ่งดูแลยิ่งเจ๊งอะนะมันจะซ่อมยังไงยังไงกาก็มาเหยียบทั่วไปหมดแล้วกันนี้กาก็เหยียบไม่เลือกที่แนละ้วเหยียบหน้าเหยียบตาเหยียบไปหมด ยิ่งทาแป้งไปยิ่งดํามากขึ้นอย่างนี้นะยิ่งยิ่งดูแลยิ่งเสื่อมยิ่งดูแลยิ่งจะพังเอาให้ได้พันยิ่งดูมันก็เป็นอย่างเนี้แต่ทีนี้ว่าไอการเสื่อมนี่เสื่อมโดยสภาวะของมันว่าเงื่อนไขของกรรมชัรูปมีอายุเท่านี้เงื่อนไขของจิตตชั่วรูปประตูชรูปอาหารชรูปมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่ได้ดับสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเพราะว่า ปกติแล้วเจริญอวิชชาตันหากรรมกันยังเพื่อสร้างรูปอยู่ไม่ขาดสายเพราะนันถ้าจะดับรูปอย่างแท้จริงก็ต้องดับอวิชชาในรูปดับตันหาในรูปดับกรรมในรูปแล้วก็ถ้าอาหารดับแล้วก็รูปที่วิบัติแปรปลวนไปตามสมุดฐานเหล่านั้นเหล่านั้นรูปทั้งหลายก็ถึงความดับไปแล้วรู้เห็นยังไงจรึงจะดับอวิชชาในรูปได้ รู้เห็นเหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสสาระของรูปจึงจักดับรูปได้คือดับอวิชชาในรูปได้จะต้องเห็นรูปรูปสมูทัยรูปนิโรธรูปนิโรทคามินีปฏิปทาถ้าเห็นรูปรูปสมูทัยรูปนิโรธรูปนิโรทคามินีปฏิปทาจึงจักดับรูปได้ถ้าไม่เห็นอริยสัจในรูปก็ไม่สามารถที่จะดับรูปได้ต้องทาวิชาคือความรู้ ให้รู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปวิชาตัวนี้คือมักควิชาเหล่านี้นี่แหละจึงจะเป็นตัวดับรูปเวทนาเ็เหมือนกันถ้าจะดับเวทนาก็ต้องรู้ว่านี้เวทนานี้เหตุเกิดของเวทนานี้ความดับเวทนานี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา นี้อัสาธาแห่งเวทนานี้อาทีนวะแห่งเวทนานี้นิสรณะแห่งเวทนาถ้ารู้เห็นอย่างนี้จึงจะดับเวทนาได้ถ้าจะดับสัญญาได้ก็ต้องรู้ว่านี้สัญญานี้ความเกิดอันนี้เหตุเกิดของสัญญานี้ความดับสัญญานี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัญญานี้อัสาธาแห่งสัญญานี้โทษแห่งสัญญานี้การถ่ายถอนฉันทราคะทั้งปวงในสัญญา น <the peso>, <the such a cause> <eds> ี่สังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดขึ้นของสังขารและวิญญาณนี้ความดับสังขารและความดับวิญญาณนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารและดับวิญญาณนี้อัศธาแห่งวิญญาณแห่งสังขารนะความน่ายินดีของสังขารและวิญญาณนี้โทษแห่งสังขารนี้โทษแห่งวิญญาณนี้อุบายเครื่องสลัดออกนี้วิธีกาจัดฉันทราคะในสังขารและ วิญญาณถ้ารู้เห็นอย่างนี้อวิชชาจึงดับถ้าอวิชชาดับรูปก็ดับถ้าอวิชชาดับเวทนาก็ดับถ้าอวิชชาดับสัญญาก็ดับถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับถ้าอวิชชาดับวิญญาณก็ดับก็ดับที่ดับดับที่ปัจจัยเนี่ยนะดับปัจจัยแห่งการสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือดับอวิชชาสำโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือ ดับอวิชชาด้วยปัญญาดับตัณหาด้วยสมถะเนี่นยนะคิดยังไงจึงจะสงบตัณหาในรูปคิดยังไงจึงจะสงบตัณหาในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการรู้เห็นโทษ <val> ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นสมถะเนี่นยนะถ้าตามเนติปรกรณ์นั้นกล่าวว่าการรู้เห็นโทษ <vị> ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <listings> นั้นเป็นสมถะมันอบรมทั้งสมถะและวิปัสนา เพื่อให้รู้เหตุเกิดความดับอาัศาธาอาทีนวะนิสรณะของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั่นแหละจึงจักดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไดนนะ้ถ้าไม่อย่างนั้นดับไม่ได้หรอกโอ้มันมันเป็นตัวอะไรนะที่มันฆ่าไม่ตายจริงๆเลยขันท่าเนี่ยเนเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตายจริงๆเลยนะมันเหมือนสิ่งอมาตะเอาทีอมาตะยังไงอะ่ะก็ลืมตาขึ้นเพื่อสร้างตาอย่างเงี้ยนะ จะดับตาได้เมื่อไหร่แล้ววันนี้ลืมตากี่ครั้งแล้วนะสร้างตาไปเท่านั้นแล้วอะแล้วจะดับตาเมื่อไหรเนาะทำตาตัวนี้ให้บอดเดี๋ยวมันก็ถือเอาใหม่ถ้าดับหัว น, นี้เดี๋ยวก็ถือเอาหัวอันใหม่ถ้าดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจเนะเดี๋ยวทิ้งใจนี้เดี๋ยวผมถื อ, อาใจอันใหม่เนี่ยนะเขบอกว่าอีกสามนาะทีชั่วโมงต่อไปฉันจะเลิกคิดแล้วจบแล้วทุกเรื่องในโลกนี้พอละทําได้ไหมไม่ได้นะถ้าอะไรนะถ้าอนาคา ม, มีมรร ไม่เกิดพอที่จะเข้าสัญญาเวดายิตานิโรธเนี่ยโมสิตธิ์นะนะหมสิทธิ์ยังมากก็กินยานอนหลับแล้หลับพักเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาต่อยนะนะก็อยู่อย่างนี้แหลวะวัตตะเนี่ยนะนั้ น, ะ น, นที่เหลือเออเมื่อรู้แล้วว่าเหตุเกิดของวัตตะเป็นอย่างไรความดับแห่งวัตตะเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญญาบริบูรณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าได้มีมัคคามัคคญยานทัศนะ วิสุทธิว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรเป็นการสร้างวัตตะรู้อย่างไรเห็นอย่างไรเป็นการดับวัตตเนี่ยนะเพราะผู้ที่พิจารณาได้ขนาดนี้เนี่ยบางทีก็หลงในความคิดของตัวเองเหมือนกันหลงในอะไรนะในปีติเป็นต้นของตัวเองหลงในโอภาสในปัจสัตทีในวิริยะในสติในปัญญาเป็นต้นของตัวเองซึ่งผู้ที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยอินทรพละพุทธชงยังไม่ประชุมกันหรอก ถ้าอินทรพละพ่อชงยังไม่ประชุมกันเนี่ยตรัสรู้อริยสัจมีไม่ได้ต่อเมื่ออินทรพละพ่ชงเป็นต้นประชุมกันแล้วนั่นแหละการตรัสรู้อริยสัจจึงจักมีได้ดงั้นก่อนที่จะตรัสรู้อริยสัจได้อย่างนั้นเนี่ยจึงต้องเจริญปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นการเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้อินทรพละพ่ชงอ ง, องค์มรรคประชุมกัน ก็อย่างที่หลายท่านก็คิดว่าเอ๊ก็รู้อย่างนี้ทําไมไม่บรรลุสักทีรู้อย่างนี้ก็ไมาทำไมไม่บรรลุบรรลุไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเรี่ยวมีแรงอะไรหรอกเห็นไหมเพราะว่าพละห้าไม่ประชุมกันอินทรีห้าไม่ประชุมกันพ่อชงเจ็ดไม่ประชุมกันอริยมรตมีองแปดไม่ประชุมกันแล้วคิดยังไงสิ่งคุณธรรมเหล่านี้จึงจักประชุมกันละ่ะคิดจึงจะประชุมกันละ่ะก็ต้องไปหาเหตุหาปัจจัยแห่งอินทรีย์ให้อินทรีย์ประชมุม หาเหตุหาปัจจัยให้พระละหาเหตุหาปัจจัยให้พ่อชองเนี่ยประชมกันทีนี้แต่ที่สําคัญทั้งนั้นทั้งนี้ก็ปัญญาที่ยังทะลุทะลวงปัญญาที่ไปวิจัยเลือกเฟ้นขันธาตุอายตนะปัญญาอนนั้นก็ต้องอบรมก็ต้องเจริญต้องอบรมปัญญานั่นแหละไม่เลิกไม่ราแล้วการอบรมปัญญานี้อบรมต่อไปว่าอย่างไร ที่กล่าวมาทั้งหมดโดยมากนะเป็นการทวนความเข้าใจที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ขึ้นใหม่อะไรเลยทวนบ่อยๆอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบก็ไมร่รู้เดี๋ยวก็จบแล้วนะสาธุขอให้เป็นอย่า ง, างที่บ้านเถอะทีทนี้การวิจัยหลักๆเนี่ยนะอย่าง ปฏิปทาย า, านทัศนวิสุธทธิ์ในหน้า190นะหน้า190เป็นก่อนหน้านี้นะก่อนหน้า190นี้ภาษาธรรมะใช้อยู่คําเดียวคือรู้เห็นตามความเป็นจริงพุทธพจน์นะใช้อยู่คําเดียวคือรู้เห็นตามความเป็นจริงหน้า190เป็นต้นไปจนถึงหน้าหน้าอะไรหน้าที่กล่าวด้วยย า, านทัศนวิสุธทธินั่นแหละ นั่นจนถึงหน้า310นะนะหน้า190ถึงหน้า310นี่แหละเรียกว่าเบื่อหน่ายนะหน้า310เป็นต้นไปเรียกว่าคลายกำหนัดเนี่ยนะก็หลังจากนั้นก็ปัจเวกขณะยานทีนี้ก็มารู้มาศึกษาข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในขัน5เพราะว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ได้ สูตรเขามีว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพน้นแล้วคิดอย่างไรจึงจากเบื่อหน่ายในขันท่าที่สําคัญก็คือคิดอย่างไงก็ไม่พ้นคิดอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาคิดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวอะไรกับเกิดดับเกี่ยวไหมเกิดดับเกี่ยวอะไรกับอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความเกิดความดับยังเกี่ยวข้องกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่หรือไม่ ยังไงก็ต้องเกี่ยวนะเมื่อรู้เกิดดับโดยปัจจัยเรียกว่ารู้อนัตตลักษณะเรียกว่ารู้ความเป็นอนัตตาถ้ารู้เกิดดับโดยขณะเรียกว่ารู้อนิจจังกับทุกขังรู้อนิจจังกับทุกขังหรือรู้อนิจจลักษณะกับทุกขลักษณะการพิจารณาอนิจจังอนิจจังก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะก็มาดูอนิจจังที่ที่ ปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมากๆก็จะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอะไรเพราะถูกปิดบังใช่ไหมอะไรปิดบังอนิจจังอะไรปิดบังทุกขงังอะไรปิดบังอนัตตาทําให้ไม่รู้ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงท่านบอกว่าอนันเนี่ยแน่นอ น, อนละอวิชชาเนี่ยตอบอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ผิดนะ ถูกคือละละเชื่อเหรอคะแนนเต็มร้อยเสมออย่างเงี้ยแต่ว่าคนตอบไม่ได้ฉลาดขึ้นเท่าไหร่อนนี้จังเนี่ยนะอันนี้จะลักษณะไม่ปรากฏเพราะสัน ต, ติเนี่ยปิดบังเอาไว้ทําไมสันตติปิดบังเพราะไม่คิดเรื่องเกิดเรื่องเสื่อมเลยไม่เกิดเรื่องเรื่องเกิดเรื่องเสื่อมอะไรเลยเนะี่ย ก็เลยให้บอกทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมันแปรไปกี่รอบแล้วก็ถือว่าเหมือนเดิมนะพวกนี้เรียกว่าสันติปิดบังเอาไว้จริงๆแปรมากนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มเดก็หิวสลับาครากันไปก็พวกอ่่ก็บอกปกติะนะจิตวันหนึ่งแปรปรวนไม่รู้กี่รอบก็ยังเรียกว่าเหมือนเดิมอีกนะอุตุเปลี่ยนไปไม่รู้กี่เปลี่ยนแล้วก็ยังถือว่า เหมือนเดิมมันกรรมมชรูปเปลี่ยนจนไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงกรรมชรูปก่เปลี่ยนจิตมชรูปก่เปลี่ยนอุตุชรูปก่เปลี่ยนมีความเกิดมีความเสื่อมไปตามนั้นอ่ะมันก็บอกว่าเหมือนเดิมไม่ใส่ใจในความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันสัน ต, ติความสืบเนื่องของกรรมน่ะชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปเนี่ยปิดบังทําให้ไม่เห็นสภาวะของความเป็นของไม่เที่ยงทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกอะไร อิยาบทนี่ปิดบังเอาไว้ก็สมมุติถ้าใครเกิดมาชาตินี้นะีอยู่อริยาบทเดียวตลอดไปอะไรจะเกิดขึ้นดีไหมเกิดมาก็นอนมาตลอดเลยอยู่อิยาบทเดียวเนี่ย น, ะนอนตลอดดีไหมไม่ดีนั่งตลอดไม่ได้เดินตลอดยืนตลอดสรุปไม่ได้เลยนะ ทีนี้อิริยาบทมันปิดบังไว้มันสลับกับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเหมือนว่าไม่มีความทุกข์อะไรเลยอย่างรูปปั้นของเราเนี่ยนะเนื่องจากสรีระยนต์มีจักรสี่ทวารเก้ามันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเลยเหมือนกับว่าเป็นผู้มีความสุขความจริงแล้วในโลกนี้เนี่ยนะมันมีแต่ความทุกข์เนื่องจากว่าบริหารเป็นเลยมีความสุขเลยสําคัญว่าตัวเองมีความสุขเนื่องจากอะไรนะเช่น รู้จักบริหารให้ยืนตามการนั่งตามการนอนตามการเดินตามการกินตามการแบ่งเวลาเป็นเนี่ยนะก็เลยนึกว่ามันสบายก็เลยนึกว่ามันดีนะครับท่านเลยบอกว่าอิริยาบถนี้ปิดบงังทุกคลักษณะทุกคลักษณะเช่น ป, ปิดบังอะไรปิดบังโรคปิดบังฝีปิดบงัดบ ง, ดบงลูกศรปิดบังความลําบากปิดบังโรคภัยไข้เจ็บปิดบังความความเสียหายตั้งไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเอาไว้เนี่ยนะแต่เมื่อใดที่ สมมติทําให้ผู้การเดินในสักสามอาทิต ย, ย์อะไรจะเกิดขึ้นนะนั่งแบบเนี้ยสามอาทิตย์เลยนะไม่ถึงรอบอาทิตย์เดียวขนาดนั้นนะอาจจะเหลือเหลือไม่เหลือนั่งแลนะ้วนะนะนะหรือให้พักผ่อนอย่างเดียวเลยนอนให้สบายสักสามปีไม่ไหวแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นให้เดินสักสามปีเลยก็ไม่ไหวอีกมันนะก็สรุปว่าอันใดอันหนึ่งเมื่อไหร่ก็ เสียหายแต่ที่มันดูเหมือนว่าเป็นไปได้อย่างมีความสุขก็เนื่องจากอิริยาบถเปลี่ยนไปเนี่ยนะอิริยาบถเปลี่ยนไปแต่ถ้าอิริยาบถเกิดไม่มีการเปลี่ยนเมื่อไหร่นะจะเห็นความเสียหายตามมาอีกมหาศาลเลยเช่นเลิกตอบตั้งอันนี้ไปนะนอนไม่ได้อีกแล้วหรือตั้งอันนี้ไปนะนั่งไม่ได้อีกแล้วตั้งอันนี้ไปเดินไม่ได้อีกแล้วตั้งอันนี้ไปยืนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะก็เริ่มเห็นความเสียหายถ้าถ้า ถูกอิรยาบทใดถูกตัดขาดออกไปความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มประดังเข้ามาแล้วนะเริ่มประดังเข้ามามันทุกข์จริงๆด้วยอที่ว่าอิรยาบทปิดบังทุกเนี่ยเป็นกายกกกาิกะทุกเกเตศิกทุกอะไรปิดบังครับทุกถ้าหากว่าอย่างอย่างรูปประขันเนี่ยนะรูปประขันที่ที่อิรยาบทมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็เลยดูดูเหมือนว่าอะไรนะ เหมือนว่าไม่มีความทุกข์อยู่เลยใช่ั้มเนื่องจากอิริยาบททีนี้ถามว่าถ้ารูปวิบัติแล้วถามว่านามวิบัติตามมาด้วยไหมเพราะนามทั้งหลายเจตสิกทั้งหลายเนื่องด้วยรูปถ้ากายเป็นสุขใจก็เป็นสุขถ้ากายเป็นทุกข์โดยมากใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายัางกล่าวว่าอิริยาบทปิดบังทุกข์เนี่ยนะก็เท่ากับกล่าวว่า ปิดบังจิตด้วยเหมือนกันเพราะจิตนี้เนื่องด้วยกายเพราะถ้ากายยังสมบูรณ์อยู่ใจก็เลยดูเหมือนสมบูรณ์เหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารูปเริ่มวิบัติขึ้นมาไปตรวจเจออะไรสักอย่างต้องนองงนโนรงพยาบาลหอาทิตย์นะก็อาระใจเริ่มเดือดร้อนตั้งแต่บัตนั้นเป็นต้นมาแล้วนะอย่างหมอชีวกเนี่ยผ่าผ่าคนไข้ก็บอกว่าท่านเศรษฐีท่านต้องนอนอย่างเดียวไม่พลิกเจเดือนเลยนะ ถ้าท่านนอนได้อย่างนี้คราพระเจ้าจะรักษาให้บอกโอ้สบายมากวันที่หนึ่งก็พอได้พอวันที่เจ็ดโอ้ยไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนไปนะคือจริงๆแล้วถ้าหากว่ารูปมันวิบัตินะพาให้นามวิบัติด้วยเพราะโดยเฉพาะปุตุชนทั้งหลายผู้ผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาในรูปจิตใจเนี่ยขึ้นตรงต่อรูปเมื่อรูปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนแค่เห็นหน้าเขาไม่สบายหน่อยทางนี้ก็จะตาให้ได้แล้ว ใช่ไมสมมติถ้าเห็นหน้ า, าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจแล้วนะไอทางนี้นี่เดือดร้อนมากแล้วนะแล้วถ้าบอกว่ารูปตัวเองเกือบตายแล้วอย่างนะ้นใจปกติอยู่ไหมโดยมากก็ไม่ปกติคือซึ่งจริงๆแล้วรูปเหล่านี้ที่มันยังเป็นไปได้ดูดีก็เนื่องจากว่ามีการลุกตามการเดินตามการนั่งตามการนอนตามการกินตามการอะไรก็เลยดูเหมือนกับว่าไม่ใช่ปัญหา ไม่น่ากลัวอะไรเลยรูปทั้งหลายรูปนี้ไม่น่ากลัวเลยเมื่อรูปไม่น่ากลัวก็เลยถือว่านามทั้งหลายไม่น่ากลัวแต่ถ้าหากว่ารูปแต่ละคนอยู่ให้อยู่อิรยาบทเดียวตลอดไปเนี่ยนะกลายเป็นรูปที่น่ากลัวทันทีแล้วนามของผู้ที่มีรูปแบบนั้นเนี่ยนะนามเหล่านั้นก็น่ากลัวถามว่าคนไข้ที่เป็นอมาาัมพาตนี่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใส ม, มีความสุขตลอดไหมทำไมก็ยิ้มไม่ค่อยออกแล้วนะ ก็ลองคนพิการดูวยนะไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยจะนั่งยิ้มแมย้มแจ่มใสนั่งให้พรคนอื่นไหมขอให้ทุกคนมีความสุขนะให้ทุกคนร่มเย็นไม่หาโน้อยเต็มทีเพราะว่ารูปนี้ปัญจโวกรพบเนี่ยนะนำกับรูปเป็นของคู่กันถ้ารูปเสียหายใจก็เสียหายถ้าใจเสียหายรูปก็พลอยแตกทําลายไปด้วยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันพันถธะอิริยาบถ ท, ที่ยังเป็นไปได้ด้วยดีนี่ก็เถอะทาให้ ก็ลองสังเกตดูนะหงุดเริ่มรเริ่มเครียดเียลุกไปเดินสัหน่อยใจก็สบายขึ้นอีกแล้วใช่ไหมถ้าเริ่มเดินไปเชักเมื่อยแล้วไม่ค่อยสบายถ้านั่งพักใจก็เริ่มสบายขึ้นเพราะนั้นอิริยาบถเนี่ยปิดบางทั้งทุกทางกายและทางใจด้วยเนี่ยนะแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มนสิการความบีบคั้นถ้าคิดไปในหนึ่งนะมันทุกจนต้องนั่งตลอดไปไม่ได้อะ ทุกจนนอนตลอดไปไม่ได้ทุกจนยืนตลอดไปไม่ได้ทุกจนนอนตลอดไปไม่ได้มันทุกจริงๆนะทุกจนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อ่ะทนอยู่ในสภาพเก่าๆไม่ได้สมมติถ้าถ้าดีจริงนะถ้าอย่างอย่างเราฟังทำนะแล้วมีความสุขจริงทําไมไม่ฟังอย่างนี้จนตายล่ะเพราะสภาพอันนี้มันก็ทุกอ่ะมันจะต้องไปเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องคอยมีความสุขกับการเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอันในโลกของขันห้าจึงไม่มีสุขที่แท้จริง ไม่มีสุขที่แท้จริงจำเป็นต้องเอาความเปลี่ยนแปลงนี่มาหลอกมาหลอกว่ามีความสุขเท่านั้นเองพันธะให้อยู่ในสภาพนั้นสิเพราะทุกคนเนี่ยหวังความสุขเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวฟังทำเรื่องยากๆนะเดี๋ยวพักแล้วจะสบายนะพอพักเสร็จเออเดี๋ยวถึงเวลานั้นแล้วจะสบายก็คิดหวังไปเรื่อยจะได้เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยพันธะความที่ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่ากลัวเพราะยินดีในความเปลี่ยนต่ อ, ต อ, ตอไป แต่ทีนี้ไอ้ที่มันต้องเปลี่ยนอย่างนี้เพราะว่ามันมันไม่สามารถอยู่สภาพเดิมได้จริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มีอะไรอยู่คงทนไม่มีอะไรอยู่คงเดิมนะถ้าอะไรเกิดคงเดิมเมื่อไหร่เช่นลืมตาคงเดิมไม่มีกระพริบเลยอะไรจะเกิดขึ้นอเมคงนะตาแห้งบอดเลยนะไม่นานทักไรมก็จะบอดขึ้นแล้วนะอะไรคอแข็งตลอดเลยนะคอแข็งเลยนะเปลี่ยนไม่ได้อีกละ เยิมแย่แล้วนะมันสรุปว่าอะไรถ้าเริ่มคงตัวเมื่อไหร่นะเดือดร้อนไอ้คงตัวแล้วดีเนี่ยไม่มีนะในโลกเนี่ยที่คงที่ไม่มีจริงๆเพราะคำว่มมาโลกโดยสับแปลว่าสลายโลกไม่ได้แปลว่าคงที่โลกคือขันห้าแปลว่าสลายสิ่งที่คงที่ไม่สลายมีอยู่สิ่งเดียวคืออสังขตะธรรมคือพระนิพานเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาวิจัยขันห้า วิจัยไปเท่าใดใจเขาจะโอนไปหาพระนิพพานเท่านั้นบอกครบไม่ได้และขันท่าอยู่ด้วยไม่ได้ทําไมมันมันโหดร้ายเหลือเกินให้อยู่ใช่ฉยๆก็ให้อยู่ไม่ได้นะให้อยู่อย่างสบายๆตลอดไปเลยนะตั้งกับวันนี้ไปประเทศชาติไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วให้นั่งให้สบายไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะถามว่าดีไหมคิดอย่างนี้สักสามปีไยล่มจมตั้งแต่ปีแรกแล้วถึงสามปีหรอกเพราะฉะนั้นสังขารนี่มันเป็นอย่างนี้มันทุกจนไม่สามารถที่จะอยู่ นิ่งๆได้เนี่ ย, ยแม้กระทั่งในร่างกายของเรานะส่วนไหนนิ่งสมมติถ้าร่างกายของเรานะอย่างเช่นเลือดไม่ไปไหลเวียนตรงที่ใดที่นั่นอะไรจะเกิดขึ้นที่นั่นก็เริ่มเน่าไปแล้วนะเริ่มเน่าถ้าที่ใดเลือดเลิกไหลเวียนนะที่นั่นเริ่มอักเสบแล้วก็ตามมาด้วยความเน่าด้วยความเปื่อยแสดงว่าทุกแห่งเนี่ยไม่ได้มีความอยู่คงตัวเลยในในสรีระแม้กระทั่งจิตก็เหมือนกันจิตก็ที่คงตัวจริงๆก็ไม่มี เพราะไม่มีผู้ใดเนี่ยจิตดวงเดียวดํารงมั่นอยู่นั่นแหละไม่มีนะไม่มีมีแต่ว่าชาวนะซ่องเสพใหม่ๆม่ใหม่ชาวนะใหม่ใหม่มใหม่หมหมหมไปเ้วยคนที่ได้ชานเพียงแต่ว่าไม่ตกภวังแล้วก็ยังอยู่ในอารมณ์เดิมแล้วก็อาวัชนะอยู่อย่างนั้นได้ยาวเท่านั้นเองใส่ใจในสิ่งนั้นได้ยาวก็เลยเรียกว่าคนมีสมาธิแต่จริงๆจิตมันก็เปลี่ยนไปตลอดนั่นแหละจิตมันก็เปลี่ยนไปตลอดนั่นแหละไม่ได้คงทนอะไร ส่วนอนัตตาล่ะอนัตตานี้ถูกอะไรปิดบังไว้เพราะไม่เคยแยกแยะอะไรเลยเนี่ยนะก็ตั้งคำถามว่าโลกนี้เราทำปริญญาอะไรไปบ้างานะทำปริญญาก็คือเอาวิจัยนะเอามาวิจัยแยกแยะนะตั้งคำถามดูเอาเคยในร่างกายเราเนี่ยเอาส่วนไหนบอกว่าเออเรื่องนี้นึกเมื่อไหร่ทาปริญญาเสร็จแล้วท่านบอกว่าการทำปริญญานะถ้ากล่าวตามมิลินทปัญหานี่ก็เหมือนกับว่า คนที่ตื่นมากลางดึกเปิดไฟเปิดไฟแล้วเขียนหนังสือเอาไว้เขียนเอาไว้อย่างดีหรือพิมพ์เอาไว้เป็นอย่างดีแล้วปิดไฟอีกตอนหลังเปิดไฟมาเนี่ยนะหนังสือนั้นยังอยู่หรือหายไปก็ถือว่ายังอยู่ฉันใดกิจที่ปัญญาทำการทำปริญญาเอาไว้แล้วก็ฉันนั้นถ้าทำปริญญาเอาไว้ในสิ่งใดนะ ต, ต่อไปก็จะไม่ยากในสิ่งนั้นนะจะชำนิชำนาญเหมือนยังไงอันนี้นี่พูดถึงเอ า, เอ า, เอาปัญญามานะแต่ถ้าเอาอากุศล น, นะถ้าเราลองโกรธใครนะผ่านไปสามวันก็ยังกลับมาโกรธต่ออีกเพราะอะไรเพราะความโกรธได้ทํากิจของมันเอาไว้แล้วใช่ไหมฉะนั้นเห็นเมื่อไหร่ก็โกรธเห็นเมื่อไหร่ก็โกรธได้ยินเมื่อไหร่ก็โกรธนึกเมื่อไหร่ก็โกรธเพราะโทสะได้ทํากิจของโทสะเอาไว้แล้วก็เลยยาวไปเลยถ้าไม่บําบัดนะ ก็ยังโกรธไปอีกนานฉันใดก็ดีวัตถุแห่งความชอบใจก็เหมือนกันถ้าลองได้ชอบใจไว้เมื่อไหร่แล้วนะเดี๋ยววันหลังก็ยังชอบอีกวันหลังก็ยังชอบอีกเหมือนเหมือนคนที่ชอบอาหารบางอย่างใช่ไหมวันนี้อร่อยวันหลังมานึกถึงก็ยังอร่อยอีกก็ได้กินอีกก็ยังอร่อยอีกบางคนเลยทานสิ่งนั้นได้ไม่รู้จักเบื่อนะบางคนนี่ทานไข่ได้ยังไงไม่รู้ได้ดูได้นานจริงๆเลยนะทําไมไม่เบื่อสักทีเหมือนคนไทยทานข้าวนะ เบื่อแล้วเกินข้าวเนี่ยเมื่อไหร่เช้าก็ข้าวเที่ยงก็ข้าวเย็นก็ข้าวตื่นเช้ามาก็ทานข้าวอีกแล้วเนี่ยนะทําไมไม่เบื่อชอบซะแล้วเนี่ยนะติดใจซะแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าไปเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ทําใจไม่ได้เหมือนฝรั่งชอบขนมปังอย่างนั้นเละกินข้าวอยู่ไม่ได้ก็ต้องเอาขนมปังขนมปังนะเมีย จ, จะกินก็แบบสามีเป็นฝรั่งแม่บ้านเป็นคนไทยเนี่ยนะ แม่บ้านจะหงข้าวทานก็ทานไปแต่เธอต้องทำขนมปังเอาไว้ให้ฉันด้วยนะยงงก็อยู่อย่างนั้นะมันก็เลยเถ้าชอบลงได้ชอบอะไรก็ชอบอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งมาบำบัดเนี่ยนะความหลงก็เหมือนกันมันซ่องเสพไว้ฉันใดผู้ที่อบรมปัญญาถ้าเจริญปัญญาไว้ในสิ่งใดนะมันจะไม่ลืมสิ่งนั้นถ้าปัญญาได้ทำกิจของปัญญาเต็มที่ถ้าปัญญาได้ทากิจในการวินิจฉัยวินิจฉัย ใครครวญในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเต็ ม, เมที่จะไม่ลืมสิ่งนั้นเลยเหมือนโกรธวัตถุใดแล้วก็ไม่ลืมง่ายๆเพราะปัญญาเนี่ยนะ ท, ที่วิจัยได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะไม่หลงลืมเลยจะไม่ไม่เข้าใจผิดเลยว่าสังขารเที่ยงสังขารเป็นสุขสังขารเป็นอัตตา พ, พระองค์ตรัสรับรองเลยว่าไม่ใช่ฐานะ คือไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระอริยสาวกท่านจะเห็นว่าสังขารเป็นของเที่ยงไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเห็นว่าสังขารเป็นสุขไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระอริยสาวกจะเห็นว่าสังขารเป็นอัตตาหรือเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะถ้าสมบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อไหร่จะไม่มีคําว่า เข้าใจผิดเพราะท่านแยกจำแนกจำแนกมาเป็นอย่างดีแล้วนะเพราะทุกท่านได้ทำปริญญาแล้วสมุทัยท่านได้ละแล้วนิโรธทำให้แจ้งแล้วอริยมรรคท่านก็เจริญจนปัญญาเนี่ยโสดาปฏิมรคจะไม่มีเสื่อมอีกต่อไปจะไม่ลดตำแหน่งมาเป็นปุตุชนเ็นะหมกเป็นพระริยะานา น, านๆเข้าเขาปลดลงเลยนะไม่มี ไม่มีถูกปลดเนี่ยนะไม่มีเกษียณไม่มีอะไรก็เป็นพระโสดาบันนี่ไปเรื่อยเนี่ยนะก็ถือว่ามั่นคงที่สุดเลยนะเป็นตําแหน่งที่มั่นคงที่สุดใช้ได้อีกหลายฉาติแต่ถ้าตำแหน่งอื่นๆก็ชั่วคราวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ความเห็นนี่ไม่มีเปลี่ยนมิจฉาทิฐิที่จเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดรุนแรงที่สุดพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ นะถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิฐิไปแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้ผู้ที่เป็นสัมมาทิฐิเห็นอริยสัจแล้วต่อให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาทําอะไรเขาเขาก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือทิฐิเนี่ยยากที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไปในสายดีก็โดยมากก็เปลี่ยนได้ถาวรถ้าเช่นเปลี่ยนจนเป็นได้เป็นมรรคผลแล้วก็เปลี่ยนถาวรถ้าให้ไปเป็นมิจฉาทิฐิแล้วนะก็ยากที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็พเจ เลือกเอาทิฐิไหนดีส ม, มาธิทิฐิหรือมิจฉาทิฐิถ้าเลือกมิจฉาทิฐิถ้าเลือกมิจฉาทิฐิก็ตามเห็นให้เห็นเป็นสัตว์ให้มากๆอย่าไปแยกอะไรเลยอย่าไปวิจัยอะไรเลยไม่ต้องกำหนดอะไรไม่ต้องวิจัยอะไรไม่ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยซากอย่างปล่อยแล้วมันจะเกิดแล้วแต่มันจะเป็นอนิจจังอย่าไปคิดมันอะไรก็ห้ามคิดห้ามใส่ใจเรื่องเนี่ย การทําปริญญาก็อย่าไปคิดอย่าไปกําหนดอย่าไปแยกอย่าไปแยกปล่อยมันแล้วแต่แล้วแต่มันจะเกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็คิดจเจริญอย่างนี้ไปนานๆเข้าในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แก้เขาไม่ได้เพราะเขายินดีที่จะโง่แบบนั้นตลอดไปเสียแล้วแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาจนละเอียดถี่ถ้วนเนี่นะใครมาสอนให้เขาโงา่เขาก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะวิจัยนะตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิจะเริ่มจําแนกและจําแนก ย่อที่สุดสัพพะสังขารคือสังขารธรรมขยายไปก็คือรูปนามขยายไปก็คือขันห้าเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงโดยความเป็นเหตุเป็นผลอนิจจังอย่างไรทุกขังอย่างไรอนัตตายอย่างไรมีการพิจารณาตลอดจนถึงเหตุเกิดความดับอาศทาะาความน่ายินดีแล้วก็อาทีนวะพิษภัยของขันห้าเป็นอย่างไรวิจัยจนละเอียดเต็มที่แล้วจนไม่มีอะไรมาทําให้ได้ นั้นอนัตตลักษณะก็เลยปรากฏอย่างเต็มที่และบริบูรณ์แต่ถ้าไม่มีการทำปริญญาวิจัยแบบนี้นะอะไรลักษณะจะจะคงท น, นนะมิจฉาทิฐิมันก็มั่นคงเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเกิดจากการไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงมิจฉาทิฐิเกิดจากการไม่รู้อ น, นิจจังทุกขังอนตัตตาตามความเป็นจริงก็หลงไปเพลดิดเพลินในสิ่งนั้นนะ อ น, นัตตาสัญญาเหมือนกันครับคือคณะสัญญาเนี่ยคณะสัญญาดูๆแล้วก็เป็นเรื่องของรูปธรรมทั้งนั้นนะดูๆแล้วก็เป็นเรื่องของของรูปธรรมเพราะว่าเอาคณะของรูปเนี่ยมามาม า, มาปิดบังอนัตตานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในขันในนามขาศอีกสีเนี่ย <c oughs> ซึ่งคณะสัญญาด้วยหรือเปล่าเขาที่มาปิดบัง คือถ้าไม่ทําปริญญารูปแล้วเนี่ยนะน้ำนี่ไม่ใช่ฐานะ อ, อยู่แล้วคือจังเช่นน้ำ ม, มาทําทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไหลให้มาตามทวารเช่นน้ำทั้งหลายเนี่ยไหลาาน้ำทวารตาก็อย่างหนึ่งน้ำที่ไหลทางทวารหูก็อย่างหนึ่งน้ำที่ไหลทางทวารจมูกก็อย่างหนึ่งน้ำที่ไหลทาวารลิ้นก็อย่างหนึ่งน้ําที่ไหลทวารกายไหลทางผมก็อย่างหนึ่งไหลทางเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างไป นามที่ไหลไปทวารใจลายแต่ละอารมณ์ก็แตกต่างกันไปถ้าไม่วินิจฉัยรูปนะที่จะวินิจฉัยนามได้เนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วเนี่ยนะที น, น, นี้ถ้าวิจัยแยกสมมติว่าแค่หกทวารเนี่ยแยกทวารไม่พอไม่ได้แล้วในห น, นึ่งทวารแยกให้เป็นจิตสิบหกอย่างก็แยกไม่ได้อยู่แล้วเพราะในหนึ่งทวา น, นี้ต้องมาแยกให้เป็นจิตสิอีกสิบหกประเภทเช่นทวารตาเนี่ยนะนาม แยกว่านามทวารตาไม่ใช่หูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ทวารใจนะนามทวารตาอย่างเดียวนี่นามทวารตาก็มาแยกว่านามที่เป็นไปกับราคะนามที่ปราศจากราคะนามที่มีโทสะนามที่ปราศจากโทสะนามที่มีโมหะนามที่ปราศจากโมหะนามที่หดหูนามที่ฟุ้งซ่านนามที่เป็นมหัคตานามที่ไม่เป็นมหัคตานามที่ตั้งมั่นนามที่ไม่ตั้งมั่นนามที่หลุดพ้นนามที่ไม่หลุดพ้นเป็นต้นก็ต้องมาแยกแล้ว พอแยกไ อ, ไอ้นามมีราคาก็มาแยกว่าราคานี้มีทิฏฐิด้วยนะหรือราคะนี้มีมานะด้วยราคานี้โสมนัสราคานี้เป็นอุเบกขานะก็ต้องมาแยกนะราคานี้เป็นอสังขาริกราคะนี้เป็นสสังขาริกซึ่งมันต้องมาแยกโอ้เรื่องยังอีกยาวว่างั้นเถอะทีนี้ถ้ารูปอยากที่สุดไม่ทําปริญญาแล้วก็นาําเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าผ้ายังมองไม่เห็นเลยแล้วยายผ้าจะเห็นมาจากไหน ใช่ตัวผืนผ้าเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยใ ย, ยผ้าที่จะมาร้อยๆ้อยรอย ร, ยรยกันจะเห็นได้อย่างไรฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่พิจารณารูปธรรมให้มากที่จะเห็นนามธรรมาไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เนี่ยนะสมมติถ้ามไม่พิจารณาอย่างเช่นเราเห็นดอกไม้เนี่ยถ้าไม่ไม่พิจารณาว่าสีดอกไม้สะท้อนออกมาให้เกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างถ้าไม่รู้จักดอกไม้อย่างเพียงพอเนี่ยที่จะรู้ว่าความคิดใดที่จะเกิดขึ้นโดยมีดอกไม้เป็นอารมณ์จะรู้ไหม ยากเนี่ยนะยากเต็มทีเพรันการพิจารณาเรื่องรูปนั้นจึงจําเป็นมากเนี่ยนะเพราะรูปถือว่าเป็นอารมณ์ที่หยาบที่สุดในโลกแล้วในบรรดาวิปัสนาภูมิทั้งหลายเพราะบางคนนี่กําหนดได้แค่มหาพูดเลยไปด้วยมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งนามอะไรบ้างกําหนดไม่ได้แนละ้วเริ่มสาบสนแนละ้คิดได้แต่เรื่องรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรไปต้องผมขนเล็บฟันหนังเอาไว้ก็แล้วกันชาติหน้าจะได้เบาบางกับชาตินี้ซะหน่อยเนี่ย ท่นที่สาคัญก็คือทํำยังไงที่จะได้เอามาใครครวนได้บ่อยๆทีนี้ถามว่าใครครวนไม่ได้ทํำยังไงก็ฟังฟังไม่ได้ก็อ่านอ่านไม่ได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ก็อ่านก็อยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะเป็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆเป็นทิฐิของเราไปแล้วอ่ะความรู้อันนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้เห็นเป็นทิฐิวิสุธทธิอ่ะแปลเป็นภาษาไทยบอกคุณต้องเห็นอย่างนี้จนเป็นความเห็นของคุณจริงๆ ให้มันเป็นความเห็นว่าเมื่อไรคุณก็มองเห็นว่านี้รูปนามนี้ขันท่านี่อายตนะนี้ธาตุนี้อินทรีย์นี้ปฏิจจสมุปบาทจนไม่มีใครมาเปลี่ยนความเห็นอันนี้ของคุณได้อะนั่นแหละเป็นทิ่ทีวิสุธทธิคุณต้องทําให้ได้มากขนาดนั้นแล้วก็แต่ละอย่างก็ต้องมากําหนดปัดจจัยจนไม่สงสัยเลยว่าอันนี้เหตุอันนี้ผลอันนี้เหตุอันนี้ผ ล, นนผ ล, นนผลเหตุผลเชื่อมโยงกันไปยังไงจนไม่สงสัยทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดให้สงสยัยอย่างไม่สงสัยเลยพูดให้สับสนก็ไม่ สับสนไม่สงสัยไม่สับสนจนข้ามความสงสัยได้เหรนะจนไม่มีใครทําให้สงสัยได้พูดให้สงสัยก็พูดทําไม่ได้จนเจริญอ น, นิจจังมนานสิการอนิจนนจังทุกขังอนัตตาจนรู้ว่านี้ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเจริญจนกว่าจะเห็นพุทธพจน์ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายสายเอกแปลว่าทางสายเดียวไม่มีสายอื่นอีกแล้วเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงสโสกะปริเทวะเพื่ออสดองดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อ ท, ทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นไนเจริญอนุปัสนาเจดในกายชื่อว่ากายานุปัสนาเจริญอนุปัสนาเจ็ดในเวทนาชื่อว่าเวทนานุปัสนาเจริญอนุปัสนาเจ็ดในจิตเรียกว่าจิตตานุปัสนาเจริญอนุปัสนาเจ็ดในธรรมทั้งหลายชื่อว่า ธรรมานุปัสนาไม่มีทางอื่นที่จะให้บรรลุนอกจากอนุปัสนาเจถ้าเข้าใจอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเพราะว่าสติปัฏฐานสี่พุทธพจน์ตรงๆเลยคือระดับปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเพราะว่าข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนอกจากอนุปัสนาเจไม่มีเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะบรรลุมีไม่ได้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้อนิจจังแล้วจับบรรลุไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้ทุกขังแล้วบรรลุเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้อนัตตาแล้วจะได้บรรลุมันไม่ใช่จริงๆเพราะอะไรเพราะไม่มีทางอื่นเลยนะพระองค์บอกตรงๆเลยนะบอกทางนี้คือทางสายเอกสายเดียวจริงๆเพราะตั้งแต่ปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิ์นี่ต้องเป็นอนุปัสนาอย่างเดียวไม่เป็นอื่นเป็นอื่นไปไม่ได้พรานี้มาเจียบย้าของเก่าแล้วยังไม่ได้ต่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะ นะเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยว่าอีกทีหนึ่งนอ้อยยนะิ่งนัก